ไค่ร่ำรวยและคงไม่ค่อยดูดีอาจจะไม่ค่อยพิถีพิถันเท่าไรอาจจะไม่ค่อยเจียมตัวและคงหวังสูงเกินไปอาจจะไม่ค่อยคู่ควรเท่าไรกับเธอแต่ก็อด ใจมันยากเพอาเธอจะเธอคราวนี้ก็คงต้องบอกให้เธอรู้สักทีอยากให้เธอรู้เธอคือทุกสิ่งอยากให้เธอให้โอกาสกันบ้างอยากให้เธอรู้เธอคือทุกอย่างเพียงแค่เธอหันมาสบตาก็อาจจะรู้ว่าข้างในใจ สายตาที่ยังเปลี่ยนล้นซึ่งคุณค่าและพร้อม่จะทัดสู่อาจจะไม่พูดไมจ่จาและคงไม่ค่อยเอาใจ อาจจะไม่่อยมีฟอร์มเท่าไรอาจจะไม่มีประโยชน์เธอจึงไม่สนใจอยากจะตัดใจไปหาคนใหม่แทนเธอแต่ก็อดไม่ไว้กับใจมันอยากพบเธอจะเธอคราวนี้ ใค้เธอให้โอกาสเป็นบ้าอยากให้เธอรู้เธอคือทุกอย่างเพียงแค่เธอหันมาสบตาก็อาจจะรู้ว่าข้างในใจและสายตาที่ยังเปี้ยมล้นซึ่งคุณค่าและพร้อมให้เธอทักสื่อ อ, อยากให้เธอรู้เธอคือถูกอย่างเพียงแค่เธอหันมาสบตาก็อาจจะรู้ว่าข้างในใจและสายตาที่ยังเปียมรล่นซึ่งคุณค่าและพร้อม่เธอทักสูอยากให้เธอรู้เธอคือถูกสิ่งอยากให้เธอให้โอกาสกันบ้าง เธอรู้เธอคือ ท, ทุกอย่างเพียงแค่เธอหันมาสมตา ก, ก็อาจจะรู้ว่าข้างในใจและสายตาที่ยังเปลี่ยนล้นซึ่งคุณค่คและพร้อมให้เธอทาที่สุด